بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خ ط ا ب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف ل ل أ خ سعد الغامن الشريف الثاني ويحتوي على س و ر الحج والنحل والإسراء. ن ع م ب و ت الحج ب و ت ا ل ح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 บท น, นี้ยังได้กล่าวถึงการเรียกร้องของบรรดานับีและได้ชี้แจงท่าทีของผู้หลงผางและผู้ที่มีความทุกข์ที่มีต่อบรรดาศาสนาทุกซึ่งเห็นได้ตั้งแต่ท่านนับดุลเบี๋ยนัวอะไลสลาจนกระทั่งถึงนับีคนสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวซัลลัมและนี่คือแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิเสธศรัทธาทุกยุคทุกสมัยบท น, นี้ได้เปิดเผยเห็นถึงสัญญาณต่างๆ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 ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งและเป็นการยืนยันถึงความเป็นเอกะและเดชานุภาพของรปรกบทนี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องของมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่คือเรื่องของทางนำและการหลงทางโดยอุปมารเรื่องของอาดำอะไิสละกับศัตรูตัวชากาจคืออิบลิสที่ถูกสาปแช่ง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 ให้รำลึกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของโพรมด้วยการประทานคำภีฉบับปฏิหารและใช้มีความอดทนต่อการถูกทำร้ายและถูกก่อกวนจากพวกบูชาจเวดอีกทั้งเป็นการแจ้งข่าวอีว่าใชยชนะที่แท้จริงแน่นอนนั่นจะเป็นของท่านนะบีมุฮัมมัดสลลลัลฮวาไลฮ์วะสลัมและบรรดาผู้ศรัทธาในระยะเวลาอันใกล้นี้ บทนี้ได้รับการขนานนามว่าอัลฮิจเพราะอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งทรงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชาติของนบีสุลแลห์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลสมุตอันมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองฮิชซึ่งอยู่ระหว่างเมืองมาดีนากับเมืองชามชนชาตินี้มีร่างกายกำยำแข็งแรงเจาะสกัดภูเขาเป็นที่ทำนักอาศัยและมีความเชื่อมั่นว่า จะพำนักอยู่อย่างถาวรด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าวประกอบกับความหยิ่งพยองและการไม่เชื่อฟังอีกทั้งการต่อต้านผู้ประกาศเผยแพร่าศาสนาของอัลลอฮ์ในที่สุดพวกเขาจึงได้รับการลงโทษอย่างสาสมโดยเสียงกับันาได้มาทำลายชีวิตของพวกเขาในเวลาเช้าตรู่ <S <S ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลิฟลามรอทีเห ล, ล่ล า, า, านี้คือองค์การทั้งหลายแห่งคำทีและเป็นกรออาน อันชเจะวัดผู้ดีนกักฟะรูว้ว่ากมุสลิมบรรดาผู้ปฏิเสธสัาหวังกันว่าหากพวกเขาได้เป็นมุสลิมจะทำให้ พ, พวกเขาบได้และร่าเริเู้และความหวังก็จะทำให้พวกเขาลืมและพวกเขาก็จะรู้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 الَّذِي ال และพวกเขากล่าวว่าโอ้ผู้ที่ข้อตัเกเตือนอัลกุรอานถูกประทานมาอย่างเขาแท้จริงเจ้าเป็นคนบ้าอย่างแน่นอน ทำไมเจ้าไม่นำมาลายกะมาที่เราหากเจ้าอยู่ในหมู่ผู้มีสักดิ์ศักดิ์เราได้ส่งมาลายกะลงมาเว้นแต่ด้วยความสิ่งดังนั้นจึงไม่ปรากฏว่าพวกเขาต้องรอคอยอิลล้าเราเป็น Um> แท้จริงเราได้ประทานข้อตักเตือนอักกลกุรอานลงมาและแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันไว้อย่างแน่นอน <c oughs> และโดยแน่นอนก่นนนอนอหน้าเจ้านั้นเราได้ส่งบรรด า, า, าศาสนทูตมาในหมู่คณะต่างๆเมื่อครั้งก่อนก่ และไม่มีศาสนาทูตคนใดมาอย่างพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะต้องเย อ, อยหยันในทำนองนั้นเราได้ทำให้มันเป็นที่เย อ, อยหยัน ออยยู่่ใในนจจิตขงงคชวทั้หลาพวกเขาจะไม่ศรัทธาต่อคำเพี้์อัลกุรอานและแน่นอนแบบอย่างของชนรุ่นก่อนๆได้ผ่านพ้นไปแล้ว และหากเราเปิดประตูแห่งชั้นฟ้าแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลูอินนมาสุครัตอัลซารนาบัลน์ัห์นุวุมมัสฮูรุนแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงสายตาของพวกเขาถูกปิดกัน้นไม่เพียงเท่านั้นพวกเรายังเป็นกลุ่มชน ที่ถูกเวชมนอีกด้วยินวรและโดยแน่นอนเราได้ให้มีหมู่ดวงดาวในท้องฟ้าและเราได้ประดับประดามันให้สวยงามแกบ่บรรดาผู้เ้าหมอง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 ดังนั้นดวงดาวที่ลุกโชนช่วงจะไล่ตามติดเผามันและแผ่นดินนั้นเราได้แผ่มันออกไปและเราได้ทำให้มีเทือกเขาเป็นที่ยึดอย่างมั่นคงและเราได้ทุกสิ่งงอกเงอยอย่างสมดุล และในแผ่นดินนั้นเราได้ทำให้มีเครื่องอยังชีพแก่พวกเจ้าและแก่ผู้ที่พวกเจ้ามีได้เป็นผู้ทให้เครื่องอยังชีพแก่เขา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 และเราได้ส่งลมผสมเกสรมาและเราได้น้าลงมาจากฟ้าฟ้าแต่เราได้พวกเจ้าดื่มมันและพวกเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้สะสมมันไวและโดยแน่นอน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 และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงชุมนุมพวกเขาแท้จริงพระองเป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้และโดยแน่นอน เราได้สร้างมนุษย์มาจากดินแห้งจากดินดำเป็นตม และยินนั้นเราได้สร้างมันมาก่อนจากไฟของหลงร้อนิซอและจงรำลึกถึงเมื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าตรัสแก่มาลักะ์ว่าแท้จริงข้าเป็นผู้สร้างมนุษย์จากดินแห้งจากดินดำเป็นต้น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 เว้นแต่อิบลิสมันปฏิเสธที่จะร่วมกับบรรดาผู้โค้งคารวะโอยอิบลิสาเล็กอัลลเตูละะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะึงะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะสะะาะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ قال, ص ص มันกล่าวว่าฉันจะไม่คาวะต่อมนุษย์ที่โปร่งทรงสร้างเขาจากดินแห้งจากดินดำเป็นตรงดอกโปรตรัสว่าดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่ แท้จริงเจ้าเป็นผู้ถูกขับไล่วอินนนัลลกาและแท้จริงการสาปแช่งจงประสบแก่เจ้าจนกระทั่งถึงวันแห่งการตอบแทมบบ น, ยยนมันกล่าวว่าโอ้พระเจ้าของฉันได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจนถึงวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิด พระองค์กล่าวว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวินเวลาจนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าได้รับการชี้นำให้รู้ว่าข้าพเจ้าได้รับการี้นำห้รู้ว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 ในหมู่พวกเขาที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นพรุ่มถักว่านี่คือทางอันเที่ยงธรรมของข้าอถ้าจริงพวงบ่าวของข้าเจ้าจะไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขา เว้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าในหมู่ผู้หลงผิดเท่านั้นถ้าจริงนรกยานนำคือที่นัดหมายของพวกเขาทั้งหมดมันมีเจ็ดประตู สำหรับทุกประตูมีส่วนที่จัดไว้แล้วแท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์และมีต่าน้ำนนพวกเจ้าจงเข้าไปในนั้นด้วยความสันติและปลอดภัยเถิดา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 และพวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากที่นั่นจงแจ้นจะพวงบ่าวของข้าว่าแท้จริงข้าคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอและแท้จริง การลงโทษของข้านั้นเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบและเจ้าจงแจ้งให้พวกเขาทราบถึงแขกของอิบราฮิมเมื่อพวกเขาเข้าไปหาอิบราฮิมแล้วกล่าวว่าสันติ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 พวกท่านมาแจ้งข่าวดีแก่ฉันเมื่อความชราภาพได้ประสบแก่ฉันแล้วกระนั้นหรือแล้วเรื่องอะไรเล่าที่พวกท่านจะแจ้งข่าวดีแก่ฉันพวกเขากล่าวว่าเราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยความจริงดังนั้นท่านอย่าได้อยู่ในหมู่ผู้สิ้นหวัง กาลว่ามันยักลับมิรรัฐมัติรับบิีลบดาลากล่าวว่าและจะไม่มีผู้ใดสิ้นหวังในพระเมตราของพระผู้อภิบาลของเขานอกจากพวกที่หลงผิดเท่านั้นกาลฟม่าขัตบคุมไอันยุธัลมรสนนเขากล่าวว่า ดังนั้นทุระอันใดเล่าของพวกท่านโอทูธทั้งหลายพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถูกส่งมาเพื่อกลุ่มชนที่ทำผิด น, นอกจากบริวารของลูธ ถ้าจริงเราจะเป็นผู้ชื่อเหลือพวกเขาทั้งหมดอินลำระทะหูกัดดรนาอินละหาละมินล่าบรีนเว้นแต่ภริยาของเขาเราได้กำหนดไว้แล้วว่าแท้จริงนางได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ล่วมไปแล้วฮะลัม่าจ้าอาลลูกินิลมรสลูนกาลอิน ท่ า, มม น, านเมื่อพวกทูตได้มายังบริวารของลูธเขาบริวารของลูธกล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเป็นกลุ่มชนที่ไม่คุณนหน้าพวกเขากล่าวว่าแต่เรามาหาท่าน คือรูด้ด้วยเรื่องที่พวกเขาสงสัยกันอยู่และเรามาหาท่านด้วยเรื่องจริงและแท้จริงเราเป็นผู้มีสัจจะอย่างแน่นอนดังนั้น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 แ้าเราได้แจ้งแก่เขาถึงเรื่องนั้นว่าคนสุดท้ายของพวกเหล่านี้จะถูกตัดขาดในยามเช้าและชาวเมืองได้มาหาด้วยควา ม, มจริงเขาลุดกล่าวว่า แท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นแขกของฉันดังนั้นพวกเจ้าอย่าทำให้ฉันอับปยวและจงยำเกรงอัลลอ์เถิะและย่ให้ฉันต้องอับอายพวกเขากล่าวว่าและเราไม่ได้ห้ามเจ้าเกี่ยวกับการต้อนรับแขกดอกรือ ลูตกล่าวว่าเหล่านี้คือลูกสาวของฉันหากพวกเจ้าจำเป็นต้องกระทำขอสาบานด้วยชีวิตของเจ้าแท้จริงพวกเขาอยู่ในการมืนเมาหลงทาง อย่างแต่ น, น, นั้นเสียงกำมะนาดได้ประสบกับพวกเขาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นและเราได้พลิกกลับส่วนบนของมันเป็นส่วนล่างและได้หินจากนรกหล่นลงมาทับพวกเขา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 แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่บรรดาผู้ศรัทธาและการนั้นก็ดีชาวอัลไอกะเป็นผู้ทม อยนอน م م ดังนั้นเราได้ลงโทษพวกเขาและแท้จริงทั้งสองพวกอยู่บนเส้นทางที่ชัดแจ้งอยู่แล้วแต่โดยแน่นอนชาวอัลฮิด ไดด้ปิเ ศ, นา า, ศนาาาาสสทวูและเราได้สัญญาณต่างๆของเราแก่พวกเขาแล้วเราก็ผินหลังให้วะวกาได้สกัิภูเขาเป็บานักอาอดแล้วพวกเขาได้ส ก, กัดภูเขาเป็นบ้านพักอย่างปลอดภัย ดังนั้นเสียงกำม น, นาศได้ทำลายพวกเขาในยามเช้าแค่นั้นสิ่งที่พวกเขากระทำไว้ไม่ประโยชน์แก่พวกเขาได้เลยว่ามาาลกนววิิออบ ลสสลลและเราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นเพื่ออื่นใดเว้นแต่ความจริงและแท้จริงวันประโลกนั้นจะมีมาอย่างแน่นอนดังนั้นเจ้าจงอภัยด้วยการอภัยที่ดีเถอะอินน์รับบักฮวัลคัลลาคุลอาลี แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือพระผู้ทรงสร้างผู้ทรงรอบรู้และโดยแน่นอนเราได้ประทานให้แก่เจ้าทั้งเจ็ดองค์การที่ถูกอ่านซ้ำและอัลกุรอานที่สาคัญนี้ เจ้าอย่าทอสายตาทั้งสองของเจ้าไปยังชนชั้นต่างๆของพวกเขาและอย่าได้เสียใจแทนพวกเขาและจงลดปีของเจ้าให้ต่ำ ด้วยการอ่อนน้อมทำตนตอน่อบรรดาผู้ศรัทธาและมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ัเตือนอย่างชัดแจ้งเช่นเดียวกับเราได้ให้แก่พวก แบ่งการศรัทธาคือบรรดาผู้แยกอลัลกุรอานเป็นส่วนๆดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้อวิบาลของเจ้าแน่นอนเราจะถามพวกเขาทั้งหมดอมาากยลู ึงสิ่งที่พวมาตุณรว้อาริษะนิลมุชริกีนดังนั้นจงประกาศอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญชาชา้และจงผินหลังให้พวกบูชาจุอินนยนัมุสฮซีน เราให้ความพอเพียงแก่เจ้าต่อพวกเอยอ่อใยแล้วคือบรรดาผู้ตั้งพระเจ้าอื่นเป็นภาทีกับอัลลอฮแล้วพวกเขาจะรู้และโดยแน่นอนเรารู้ว่าแท้จริง โอ้ของเจ้านั้นอึดอัดต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวดังนั้นจงกล่าวสาดูดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดและจงร่วมอยู่ในหมู่ผู้สุยูตละมาดเถิดและจงเคารพพักดีต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า จนกว่าความแน่นอนคือความตายจะมาหาเจ้า